วันนี้มาเสียงแหบหน่อยเป็นไข้หวัดลงคอเป็นมาตั้งแต่วันที่26วันนี้อาการก็ค่อยัเชื่อพอที่จะทำอะไรได้แต่ยังไม่หายสนิทหลายป้าไม่เป็นไรก็ใช้มันไปร่างกายใช้ประโยชน์ได้ก็ใช้ไป ร่างกายก็มีประโยชน์ในเรื่องการเอาธรรมะที่มีอยู่ในใจมาเผยแผ่มาแบ่งปันใจต้องมีร่างกายถึงจะสามารถเผยแผ่ธรรมะให้แก่ผู้อื่นได้เช่นพระพุทธเจ้าตั้งจากที่ทรงตรัสรู้ในวันแผ่นเดือนหกอายุตอนั้นอายุสสิห้าปี ร่างกายของท่านยังแข็งแรงท่านก็เลยใช้ร่างกายมาเผยแผ่ธรรมอยู่ถึง45ปีด้วยกันแต่พอร่างกายถึงวาระสุดท้ายท่านก็ไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายได้ต่อไปแต่ใจของท่านไม่เดือดร้อนความเป็นความตายของร่างกายเพราใจท่านไม่ต้องพึ่งร่างกาย เป็นเครื่องมือหาความสุขเหมือนกับพวกเรานะที่ตอนนี้ยังต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่งตางๆหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสตา่ตางๆพอร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาเราก็จะเดือดร้อนกันเราเลยมีความอยาก อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่แหะเป็นตัวที่ทําให้เราทุกข์กันเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราได้ศึกษาทําได้ปฏิบัติทำเราจะสามารถที่จะทําให้ใจของเราไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ ว่าเรารู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้ใจเราทุกข์ใจเราทุกข์ไม่ใช่เพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายแต่เป็นความอยากไม่ให้ร่างกายของเราเจ็บไข้ได้ป่วยท่านั้นเองพอเราเห็นอริยสัจความจริงนี้ในใจของเราถ้าเรามีเครื่องมือคือสติสมาธิปัญญาไว้หยุดความอยากของเรา ใช้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ปล่อยมันป่วยไปปล่อยมันเจ็บไปอย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปอยากนี้มันหนี้มันไม่ไหนีหนีมันไม่ค้นเรา ก, ก็ต้องอยู่กับมันไปถ้าไม่มีความอยากแล้วใจเฉยๆใจจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อน ก, กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกาย เช่นเดียวกับความตายของร่างกายก็เช่นเดียวกันออกไปร่างกายมันก็ต้องหยุดหาย ใ, ใจถ้าใจมีสติมีปัญญาก็จะรู้จักวิธีปฏิบัติความตายร่งางกายเวลามันตายก็ปล่อยมันตายไปเราก็ทำใจของเราดูลมของร่างกายไปดูไปจนกว่าลมมันจะหยุดหาย ใ, ใจ พ็เท่านั้นเองไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นตกใจหวาดกลัวความตายของร่างกายนี้ไม่ไม่ได้เป็นถึงเรื่องน่าหวาดกลัวแต่อย่างใดสิ่งที่ทําให้เราหวาดกลัวก็คือความหลงของเราไปหลงไปคิดว่าเราเป็นร่างกายกันเป็นเลยน่าหวาดกลัวขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ตั้งแต่ต้นว่ามันไม่ใช่เป็นร่างกายเราเป็นกับหมอที่ดูคนไข้ หมอรู้ว่าคนไข้ไม่ได้เป็นหมอหมอก็รักษาคนไข้ไปตามความสามารถของหมอแต่พอไม่สามารถรักษาให้ร่างกายหายได้นร่างกายก็จะหมดลมหายใจหมอก็ดูไปเท่านั้นเองทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้แต่หมอไม่ตื่นเต้นตกใจ กับความตายของคนไข้เพราะคนไข้ไม่ใช่หมอเนี่ยใจกับร่างกายก็เป็นอย่างนั้นร่างกายเป็นคนไข้ใจเป็นเหมือนหมอหมอที่คอยดูแลคนไข้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลกันไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ไม่ฝืนรักษา หยการรักษาดีกว่าจะได้ไม่ทรมานานการหยุดการรักษาไม่เป็นการข้าตัวตายไม่เป็นการ ข, า, ขาดความเมตตากรุณาแต่เป็นการมีความเมตตากรุณาเพราะว่าจะไม่ได้ไปยือ้อไปดึงให้มันทรมาน ผู้ที่ทรมานก็คือใจที่จะต้องไปทรมาน์กกับร่างกายเพราะยังไม่มีปัญญาที่จะปล่อยวางร่างกายนั่นเองเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาท่านจะไม่ไม่ยึดกับความตายของร่างกายและท่านรู้ว่ามันถึงขีดที่รักษาไม่ได้ท่านก็ความที่จะปล่อยพร้มที่จะวางอัอ น, อนนี้ไม่ได้ก็เป็นการฆ่าตวัวตาย กรูบาจารย์บางลูกท่านไม่ไปโรงพยาบาลทานรักษาตัวที่วัดไปตามอัตภาพเอกินได้ก็กินดื่มได้ก็ดื่มหายใจได้ก็หายใจกินไม่ได้ก็ไม่กินดื่มไม่ได้ก็ไม่ดื่มพ่ไม่กินไม่ดื่มไปสักพักเดียวมันก็มันก็ไม่หายใจของมันเองมันก็จบมันไม่ไม่เรื่องยาว ถ้าไปโรงพยาบาลเด็กก็ถูกเจาะถูกตัดหมอที่เก่งทั้งเจาะทั้งตัดทั้งผ่าเพราะหมอไม่เจ็บเนี่ยหมอเป็นคนผ่าเป็นคนตัดหมอก็ผ่าตัดทิ่มเข็มเจาะคอ อ, อะไรต่างๆคนไข้เนี่ยคนเป็นคนที่ทรมานต้อ <c> ง <oughs> ทําอะไรได้เปล่าก็ไม่ได้อยู่ดี ในที้สุดก็ตายที่โรงพยาบาลเหมือนกัน ต, ตายแบบเสียเงินหลายตังค์แล้วก็ตายแบบยืดเยื้อทรมานแบบยืดเยื้อวนี้ <c oughs> ถ้าคนเข้าใจถึงหลักของร่างกายกับใจว่าเป็นคนละคนกันแนละ้วจะไม่มีการทำอย่างนี้กันก็จะดูแลรักษาไปเท่าที่จะดูแลได้ เพียงแต่เชื่อจะยื้อให้มันอยู่ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนี้ก็ไม่ทำกันดีกว่าแต่ถ้ารักษาแล้วทำให้หายเป็นป ก, กติกลับมาทำอะไรได้เป็นป ก, กติต่อไปก็ก็รักษาไปเนี่ยถ้าเกิดมีญาติพี่น้องของเราเขาบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องรักษาแล้วเขาไม่อยากจะรักษาก็อย่าไปฝืนเนะอย่าไปทรมานเขา เพราะพอพอไปรักษาแนละ้วบางทีมันหยุดไม่ได้นะยจยังไม่ตายเพราะเครื่องมือสมัยนี้มันมันดีมันมีหัวใจเทียมมีปอดเทียมมีอะไรเทียมทำงานแทนคนไข้ได้แต่คนไข้ก็ทำอะไรไม่ได้นอนอยู่อย่างนั้นแล้วพอถึงตอนนั้นก็ไม่มีใครกล้าไปบอกให้หมอยุตินะบอกว่าหมออยารักษาหมอเอา สายอะไรออกเครื่องหายใจออกอะไรเรากลัวว่าเป็นการฆ่าเขาแนละ้ว อ, อย่างกรณีหลวงปู่ชาอันนี้ก็เหมือนกันหลวงปู่ชาท่านก็ไม่สบายแล้วก็รักษาไปจนกระทั่งอต้องใช้สายยางใช้อะไรแล้วก็ท่านก็นอนอยู่นั้นรู้สึกเป็นปีมั้งคุณสิทธิ์แต่ละคนก็ไม่กล้าจะทําย่างไร แต่ก็รู้ว่าไปทําให้ท่านทรมานโดยใช่เหตุเนี่ยทรมานทางร่างกายเนี่ยทางจิตใจท่านไม่ทรมาร น, น่ยแตจิตใจฉันก็ต้องอยู่ดูกับความทรมานของร่างกายไปในที่สุดก็เลยต้องไปขอคำปรึกษาจากหลวงตามหาบัวหลวงตามหาบัวบอกหยุดการรักษาไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เป็นบาปหรอกเป็นการ รู้รับสภาพความเป็นจริงว่าร่างกายมันต้องตายแล้วก็ไม่ไปฝืนธรรมชาติไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่เป็นบาปต่อผู้ที่จะยุติการรักษาถ้าถึงก้ายุติถ้าถึงข้าถอดเครื่องหายใจถอดอะไต่างๆออกพอถอดเสร็จปั๊บท่านก็เส้นลมทันทีท่านก็สบาย วุสิทางบ ร, รมจารีย์ไม่ใช่อเนจาวัตสังขารอุปาตาปิยธรรมีนุอุปาจิตวานิโรจนติเตใสงอุปัสโมสุโคพพิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องตายการปล่อยวางร่างกายนี้เป็นสุขอย่างยิ่งใจเป็นสุขการยึดติดกับร่างกายเนี้เป็นทุกข์อย่างยิ่ง ผู้ที่รู้ธรรมจึงไม่ยึดติดกับร่างกายอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่คนไม่เข้าใจกันก็คือคิดว่าเช่นมีคนที่รักษาไม่หายอยากจะฆ่าตัวตายอยากจะตายแต่อย่างนี้ก็ไม่ถูกอีกครับเพราะเป็นความอยากของคนไข้คนอยากของความฆ่าอยากจะฆ่าตัวเองอ อันนี้ก็เป็นบาปการฆ่าตัวเองหรือฆ่าผู้อื่นเช่นบางทีเห็นสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงมามันไม่สบายทรมานรักษาไม่หายก็ให้หมอฉีดยาฆ่ามานันนี้อันนี้ก็ไม่ถูกว่ามันออกมาจากใจของเราที่ต้องการจะฆ่าผู้อื่นงแม้จะคิดว่าเป็นการฆ่าด้วยความเมตตาการรุนการรุนยาฆ่าแต่เขาเนี่ย ภาษาฝรังเขาเรียก mercy killing แต่ทางทางาศาสนาพูดนี้เราไม่เราไม่ถือว่าการฆ่าไม่ว่าจะแบบไหนชนิดไหนก็นะทอต้องเป็นบาปทั้งนั้นเพราะใจที่คิดจะฆ่าผู้อื่นหฆ่าตนเองนี้ต้องเป็นใจที่โหดเทีย่ยงเป็นใจที่ปล่อยวางไม่ไม่เป็นเป็นใจที่ไม่เข้าใจธรรมชาติ ของร่างกายและของใจว่ามันเป็นคนละเรื่องกันค่าร่างกายเดี๋ยวมันก็จบน่กแต่ใจนี้มันก็ต้องกลับมาเกิดใหม่อยู่ดีเพราะใจมันยังมีความอยากที่จะมีร่างกายพใจยังมีความอยากที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้โลกธรรมคือราบยศสรสรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดภาชนิดต่างๆการมีความอยากเหล่านี้ไม่ว่าจะข้าตัวตายกี่แสนกี่ร้อยครั้งก็ต้องกลับมาเจอความตายแล้วก็จะกลับมาข้าตัวตายอยู่เรื่อยๆมันก็จะติดอยู่ในวงจรอุบาทน h i ไม่ได้ไปไหน ตายไปก็ต้องไปตกนรกไปอยู่ในอบายร้องับมาเกิดใหม่เดี๋ยวก็มาฆ่าตัวตายใหม่เิ่งต้องรู้จักวิธีปฏิบัติกับร่างกายวิธีที่ปฏิบัติกับร่างกายที่ถูกต้องก็คือปล่อยวางถ้าทำอะไรไม่ได้ช่วยร่างกายไม่ได้ก็อย่าไปทำร้ายมันทำร้ายร่างกายก็ผิด ช่วยได้ช่วยนี่แหละเป็นความเมตตาแต่เราช่วยพยายามรักษาแต่ก็อย่าเกินเหตุอย่าเกินขอบเขตของเหตุผลถ้าเกินขอบเขตของเหตุผลการช่วยเหลือก็กลายเป็นการไปทำให้เขาทุกทรมานไปเปล่าๆอย่างนี้ก็เกินเกินไปต้องดูว่าความพอดีอยู่ตรงไห น, นแต่ถ้ารักษาแล้วมีโอกาสที่จะหายได้ก็รักษาไป พอรักษาไม่ได้แล้วก็ต้องหยุดอย่าปล่อยให้คนไข้ต้องทรมานไปโดยใชย่นี่คือเรื่องของร่างกายของพวกเราทุกคนที่ <c oughs> เกิดมาแล้วจะต้องเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายกันอยู่เรื่อยเพราะพวกเรายังไม่ได้รู้จักไม่เคยสัมผัสกับรถแห่งธรรม ที่เป็นรถที่ชนะรถทั้งปวง <Yeah. S 2> ใจของพวกเรามีโมหะอาวิชชา <Okay. S 2> อาวิชชาก็คือความไม่รู้รถแห่งธรรมเนี่ย mm hmm. ไม่เคยสัมผัสกับรถแห่งธรรมก็เลยเกิดความหลงคิดว่าความสุขนี้อยู่ที่การมีร่างกาย <Yeah. S 2> พอมีร่างกายแล้วเราจะได้ไป หาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆซึ่งเราก็มีความสุขในตอนตอน้นตอนที่เราเกิดมาใหม่ๆร่างกายเราแข็งแรงร่างกายเราไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ใช้ร่างกายพาเราไปหาลาบยศสารเสริญพาไปหาความสุขชนิดต่างๆไปอย่างเพื่อเทิน จนจนกว่าวันใดวันหนึ่งเราเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาแบบที่จะต้องนอนโรงพยาบาลเนี่ยตอนนั้นะมันจะเริ่มทำให้เราเห็นความทุกข์ที่ติดมากับร่างกายนะแล้วทีนี้มันก็ไม่รู้จะทำอย่างไรถ้าโชคดีมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาแล้วมีใคร แนะนำให้ศึกษาธรรมะธรรสอนของพระพุทธเจ้าว่ามีความสุขอีกแบบหนึ่งที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากลาบยศสรรเสริญจากลูกเสียงกินลดปวดทพชนิดต่างๆความสุขที่เรียกว่าที่เกิดจากความสงบงที่เรียกว่าลถแห่งธรรมชนะลดทั้งปวงอันนี้แหละมีอยู่ในพระพุทธศาสนา ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้ลาบก็ส น, นับสริญได้เงินมากี่ร้อยล้านก็ไม่มีความสุขเท่ากับได้ได้รถแห่งธรรมในสมัยพระพุทธการก็มีเศรษฐีรูปหนึ่งก็เห็นทุกข์ที่มีมากับร่างกายแล้วหลังจากที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาขอออกบวชพอบวชแล้วก็ได้ตั้งใจปฏิบัติอย่าง เข้มงวด <Yeah. S 1> จนในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพาาระอรหันต์ได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงรถแห่งธรรมนี้คืออะไรก็คือบาลมมสุขนีงเราได้สัมผัสกับบรลมมสุขสุขที่ไม่เหมือนสุขที่มีอยู่ในโรมนี้สุขที่มีอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมง ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเนี่ยจนหลับความสุขนี้มีอยู่ในใจตลอดเวลาไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากเงินทองได้มาสุขดีใจเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็กลายเป็นความทุกข์ต้องคอยดูแลรักษาเงินทองที่ได้มาแล้วเศรษฐีรุปนี้หลังจากที่ได้บรรลุแล้วท่านก็เลยบ่นภูธพรมไปในใจ เดินไปไหนเมื่อไหนก็ป่นสุกเนาะสุกเนาะสุกเนาะพระเนรที่ไม่ทราบจิตใจของท่านว่าเป็นอย่างไรก็คิดว่าท่านขาดสติพูดเพ้อเจ้อพูดจาเพ้อเจ้อก็เลยไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยต้องเรียกมาสอบถามว่าเป็นอย่างไรเธอไม่มีสติหรื อ, อยังไงเธอถึงบ่นสุกเนาะสุกเนาะไปเรื่อย เศรษฐีก็ตอบว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นผมมีสติสมบูรณ์ตลอดเวลาแต่ธรรมที่ผมได้ ส, สัมผัสในใจของผมนี้มันมีพล า, านุภาพมากจนกระทั่งผมอดที่จะบน่นพึ่มพาออกมาไม่ได้ว่าสุขหนอสุขหนอะว่าสมัยที่ผมเป็นเศรษฐีผมก็ไม่เคยเจอความสุขอย่างนี้มาก่อนว่มาบวชดวมาศึกษามาปฏิบัติธรรม ชำละใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วใจก็ปรากฏเป็นสุขหนอสุขหนอขึ้นมาเป็นบาร ม, มีสุขนี่แหละที่เรียกว่ารถแห่งธรรมชนะลถทั้งปวงขนาดเป็นเศรษฐียังทิ้งสมบัติเงินทองได้เลยก็ต้องรู้ว่าเขาเขามีศรัทธาขนาดไหนเขาดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอยา่างพระพุทธเจ้าก็เป็นพระราชโอรสนี่ย มีความสุขระดับมหาเศรษฐีเหมือนกันมีปราสาทสามฤ ด, ดูมีบริษัทบริวารคอยรับใช้คอยหาความสุขชนิดต่างๆมาประเคนมาถวายท่านอยู่ตลอดเวลาแต่ท่านก็รู้ว่ามันเป็นความสุขแบบชั่วคราวเพราะท่านเห็นว่ามันเป็นความสุขชั่วขณะที่ได้เสพได้สัมผัสเท่านั้น พอเวลาไม่ได้เสพได้สัมผัสความสุขนั้นก็จางหายไปแล้วก็เห็นเห็นภัยที่จะตามมาต่อไปก็คือร่างกายของพระ อ, องค์เองต่อไปก็จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายแล้วตอนนั้นความสุขที่ได้อัทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆจากโน้ตเสียงกินรสต่างๆนั้นก็ไม่มีความหมายต่อไป อันนั้นจิตใจก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจเ <Yeah. S 1> มื่อทรงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของความสุขจากโล ก, กธรรมคือจากลาบยศสรเสริญจากโลกเสียงกลิ่นรสแ ล, ล้ว <Yeah. S 1> ก็เลยอยากจะไปหาความสุขอีกแบบหนึ่งหาความสุขแบบของนักบวชก็นะได้ยินว่านักบวชนี่เขา มีวิธีหาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือไม่ต้องใช้ลาบยศสารเสริญไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเป็นเครื่องมือเพียงแต่เขาต้องทิ้งสิ่งต่างๆไปก่อนทิ้งลาบยศสารเสริญทิ้งรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไปก่อนเพราะถ้าเขาอยู่ใกล้เขาจะทิ้งไม่ได้เพราะเป็นเหมือนยาเสพติด เวลาคนที่จะเลิกยาเสพติดนี้ส่วนหนึ่งเขาต้องไปอยู่ที่ไม่มียาเสพติดให้เขาเสกแล้วเขาก็ต้องพยายามทำใจไม่ให้ไปเสพให้ได้พอเขาทำใจได้ความอยากเสพหายไปเขาก็กลับไปอยู่ที่เดิมได้ที่ที่มียาเสพติดมีอะไรต่างๆ แต่เขาไม่ติดแล้วแล้วก็เห็นพิษเห็นภัยจากของการไปติดยาเสพติดว่ามันร้ายกาจขนาดไหนถึงแม้จะมีคนเอายาเสพติดมาให้เสพก็จะไม่เสพ <Okay. S 1> เพราะเห็นโทษของยาเสพติดฉ <Okay. S 1> ันใดเนี่ยพระพุทธเจ้าตอนต้นก็ต้องทิ้งาดาบยศสารเสวน์ทิ้งความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพาพไปก่อน เราก็มุ่งไปสู่การศึกษาการปฏิบัติเพื่อจะสร้างความสุขอีกแบบหนึง่งสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงหลังจากที่พระ อ, องค์ได้ได้พบความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแล้วพระ อ, องค์ก็กลับไปเยี่ยมเยียนผู้คนตามบ้านช่องได้ เสด็จไปในวังได้ถึงแม้จะไปเห็นราบยศสารเสริญ ส, สุขของคนในวงังะแต่ใจของพระองค์นี้ไม่มีความ ย, ยินดีกับความสุขแบบนั้นอีกต่อไปแล้วเพราะเคยเสพมาแล้วแล้วเคยรู้พิษของมันเวลาที่ไม่ได้เสเพว่ามันเป็นอย่างไรนพระองค์ก็ไม่ติดมันอีกต่อไปอ องก็สามารถที่จะไปแสดงธรรมตามสถานที่ต่างๆได้สถานที่ต่างๆก็เป็นที่อยู่ของคนคนเขาก็มีลาบยศสรรเสริญมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันหน้าใจของผู้ที่ได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมนั้นนี้จะไม่มีวันหวนกลับคืนสือต้นของโลกกระทามอีกต่อไป เพราะรู้ว่าถ้าไปติดอีกเดี๋ยวก็จะต้องทุกข์อีกถ้าเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็จะทุกข์กับต่างกายกนี่คือความแตกต่างระหว่างความสุขทางโลก <c oughs> กับความสุขทางธรรมความสุขทางธรรมเหนือกว่าเพราะเป็นความสุขแบบปลอดภัยจากความทุกข์ คนที่ได้ความสุขจากทางธรรมนี้จะไม่มีความกังวลไม่มีความหวาดกลัวไม่มีความตื่นเต้นตกใจไม่มีความเสียดายอาวรณ์ไม่มีความเศร้าโศกเสียใจเป็นความสุขที่ปราศจากความทุกข์ร้อยเปอร์เซ์แต่ความสุขที่ได้จากราบยศสารเสนนี้ยังมีความทุกข์ตามมาด้วย เพราะมีความอยากให้ความสุขนั้นอยู่ไปเรื่อยๆต่ก็รู้ตามความเป็นจริงว่ามันเป็นไปไม่ได้ mm. ความสุขทางโลกนี้ท่านบอกว่าไม่เที่ยง mm. เป็นอนิจจัง mm. เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่ช้าก็เร็วอนัตตาเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้ mm. เวลามันจะไปมันก็ไป เวลามันจะมาก็มาเวลามาก็ดีใจพอเวลาไปก็เสียใจนี่คือความสุขที่มีความแตกต่างกันพวกเราถ้าไม่อยากจะต้องเจอกับความทุกข์ในอนาคตที่จะตามมาเราก็ควรที่จะเข้าหาลแถแห่งธรรมกันมาศึกษาวิธีสร้างลแถแห่งธรรมให้เกิดขึ้น วราเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนนี้สามารถทำกันได้ทุกคนไม่มีใครที่จะไม่มีสิทธิ์ยากง่ายนี้อาจจะมีต่างกันถ้าเคยได้ปฏิบัติมาแล้วในชาติก่อนก่อนก็อาจจะรู้สึกง่ายถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติมาจากชาติก่อนก่อน ก็าาอาจจะรู้สึกยากกวา่าแต่ก็ไม่เป็นสิ่งที่จะมาขัดขวางถ้าเราไม่เคยศึกษามาก่อนก็เราก็ศึกษาได้ในชาตินี้เลยศึกษาแล้วก็ปฏิบัติถ้าตั้งใจทำจริงๆนี่ไม่ไม่านานหรอกก็จะสามารถเข้าถึงลถแห่งธรรมที่เหนือกว่าลถทั้งปวงได้ก็สำคัญคือเราต้องมีศรัทธา มีความเชื่อมั่นในตัวเราเองว่าเราทำได้เราก็เป็นเหมือนคนอื่นพระพุทธเจ้ากับเราก็เป็นคนเหมือนกันมีอาการ32เหมือนกันมีร่างกายมีจิตใจเหมือนกันมีความพร้อมที่จะรับธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ทุกคนและพวกเราจะถือว่าโชคดีกับพระพุทธเจ้าก็ได้ เพราะว่าตอนที่พระพุทธเจ้าศึกษาเรียนรู้นี่ท่านเรียนรู้ได้เพียงครึ่งทางจากผู้อื่นจากครูบาอาจารย์รูปอื่นแต่อีกครึ่งหนึ่งท่านไม่มีไม่มีใครสอนให้ท่านท่านก็เลยต้องไปค้นคว้าหาด้วยตนเองการศึกษาปฏิบัติของพระพุทธเจ้าในยุคนั้นมีการเข้าถึงรถแห่งธรรมแบบชั่วคราว คือลดของความสงบของสมาธิความสงบของสมาธินี้เวลาจิตสงบแล้วก็จะมีความสุขเหนือกว่าความสุขทั้งปวงปรากฏขึ้นมาในใจแต่พอออกจากสมาธิมาความสุขนั้นก็จะค่อยจางหายไปแล้วพอไปสัมผัสรับรู้กับเรื่องราวต่างๆก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้ใหม่ องอยากจะรู้ว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ใจนิสุขตลอดเวลาทั้งในขณะที่อยู่ในสมาธิและขณะที่ออกจากสมาธิมาไปถามไปศึกษาจากครูบาอาจารย์รูปไหนก็ไม่มีใครตอบโจทย์ได้ก็เพียงแต่รู้วิธีที่จะเข้าฌานเข้าสมาธิเพื่อทำใจให้สงบให้มีความสุขได้ เมื่อไม่มีใครสอนพระองค์เลยต้องไปค้นคว้าด้วยตนเองลองผิดลองถูกถึงกับต้องทดลองลดอดอาหารถึง49วันด้วยกันเรคิดว่านี่คือทางที่จะไปทำให้จิตใจได้พบกับความสุขที่แท้จริงแต่อดถึง49วันแล้วก็ยังไม่ได้พบกับความสุขกลับเห็นว่าถ้าไม่กลับมารับประทานอาหารเดี๋ยวร่างกายจะต้องตายไป แล้วเมื่อร่างกายตายไปก็จะไม่สามารถที่จะทำทางานนี้ต่อได้ก็เลยต้องย้อนกลับมารับประทานอาหารแล้วก็มาพิจารณาใหม่ว่าจะต้องใช้วิธีไหนก็ลองก็เลยเห็นว่าวิธีวิปัสสนานี่วิธีภาวนานี่น่าจะเป็นวิธีที่ถูกต้องเพียง <c oughs> แต่ว่า ทำได้เพียงครื่งเดียวคือทำให้ใจสงบขณะที่จเจริญสติพุโทโธพุธโทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกพอจิตสงบความคิดความอยากต่างๆก็หายไปความสุขก็ปรากฏขึ้นมาความทุกข์ก็หายไปแต่พอออกจากสมาธิมาความคิดความอยากก็กลับคืนมาใหม่ พอมีความคิดมีความอยากเกิดขึ้นความทุกข์ก็ตามมาใหม่ทันทีแ mm hmm. พระองค์ก็เลยไปเห็นว่าอ๋อความทุกข์นี้มันเกิดจากความอยากของใจนั่นเองเช mm hmm. ่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเน mm hmm. พอเราเห็นคนแก่แล้วเราคิดถึงตัวเราจะต้องแกน่นี้เราจะรู้สึกไม่สบายใจไป mm hmm. เยี่ยมคนไข้เห็นเขาเจ็บไข้ได้ป่วย mm hmm. เดี๋ยวเกิดเราเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราก็จะไม่สบายใจนีย ทั้งทั้งที่ยังไม่แก่ทั้งทั้งที่ยังไม่เจ็บคขยได้ป่วยใจก็ทุกไปแล้วทุกเพราะความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่หลังจากที่ได้ออกทรงพิจารณาก็เห็นว่าอ๋อเพุที่ทำให้ใจไม่สงบหลังจากที่ออกจากสมาธิมาก็คือความอยากนี่อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเพราะยังอยากหาความสุขจาก รูปเสียงกลิ่นรสอยากหาความสุขยากลาบยศสารเสริญอยู่จึงทําให้มีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาในที่สุดพระงก็เลยใช้ปัญญามาระงับด้วยการพิจารณาความจริงของร่างกายว่าแล้วร่างกายนี้มีใครทําให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้หรือเปล่า ก็ไม่มีใครทำได้ทุกคนที่มีร่างกายแล้วในที่สุดก็ต้องแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคนเมื่อเห็นว่ามนันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครไปยับยั้งมันไ ด, ด้แล้วก็ความทุกข์เกิดจากความอยากมาอยากจะไปยับยั้งมันเมื่อรู้ว่าอยากแล้วยับยั้งมันไม่ได้จะอยากมันไปทำไมยอยากไปก็ทำให้ทุกข์ไปเปล่าๆ ก็เลยหยุดความอยากนี้เสียยอมตายเสียยอมเจ็บไข้ได้ไปยอมแก่ทั้งนี้พอยอมแล้วใจก็สบายขึ้นมาความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่แก่อย่างไม่เจ็บอย่างไม่ตายมันก็จะหายไปและความอยากต่างๆก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะอยากกับอะไรพออยากแล้วใจมันจะร้อนขึ้นมาใจจะวุ่นวายขึ้นมาพอหยุดความอยากได้ปับ๊บมันก็จะหายร้อย แต่เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันเป็นความสุขชั่วคราวเพราะมันสิ่งที่เราอยากได้มันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ต้องเสื่อมมันก็ต้องมีวันหมดพอมันหมดมันก็ทำให้เราเศร้าโศกเสียใจทำให้เราทุกข์ขึ้นมาใหม่เยนพอพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งร่างกายว่ามันเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาใจก็สามารถเลิกละความอยากได้ ไม่ต้องไปมีความอยากกับอะไรต่อไปเพราะเห็นด้วยปัญญาว่าความอยากนี้เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจไม่ใช่สิ่งต่างๆในเรื่นี้ที่เกิดแล้วดับที่จเจริญแล้วเสือ่อมสิ่งต่างๆเขาก็เป็นไปตามเรื่องของเขาถ้าใจเราไม่ไปอยากให้เขาเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วใจของเราจะไม่ทุกข์ไปกับเขาในที่สุดพะอ ก, ก็ได้ทรงตัดชโลม อริยสัจสี่รู้ว่าความทุกข์ใจนี้ก็จากมีความอยากต่างๆอยากหาความสุขด้วยร่างกายก็อยากจะให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีอายุยืนยาวนานไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็เลยมีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่พอไปเจอความแก่ความเจ็บความตายเข้าใจก็ทุกขขึ้นมาทันทีนี่ ในที่สุดพระองค์ก็เลยทรงดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจได้หมดทำให้ใจนี้มีความสุขโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิกะด้เพราะสามารถหยุดความอยากได้พอไม่มีความอยากแล้วก็ไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์ให้กับใจใจก็จะสงบเหมือนตอนที่เข้าไปในสมาธิเข้าไปในฌานนี่ใจก็จะมีความสุขตลอดเวลา พอพระพุทธเจ้าได้สำเร็จแล้วรู้แล้วว่า <c oughs> ตัวเองนี้อยู่เหนือโลกธรรมแล้ว อ, อยู่เห น, ออเนือราบยศสรรเสริญอยู่เหนือความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผดผาดแล้วมไม่กลัวไม่กลัวว่าจะกลับไปแล้วจะไปยึดไปติดจะไปอยากได้อีกแล้วเพราะเห็นด้วยสัจธรรมเห็นด้วยปัญญาว่า โลกธรรมนี้เป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป็นอนัตตานั่นเองพระองค์ก็เลยสามารถที่จะไปแสดงธรรมให้กับผู้คนต่างๆตามสถานที่ต่างๆได้ไม่เหมือนตอนที่ยุคทรงบำเพ็ญ น, นี้ไม่ไม่กล้าเข้าไปในบ้านในเมืองนะต้องคอยเก็บตัวอยู่ในป่าอย่างเดียวเพราะว่าพอเข้าไปในเมืองนี้พอเห็นอะไรข้านี้ใจมันเกิดความอยากขึ้นมาทันที ก็เกิดความอยากใจก็จะร้อนใจจะทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่หลังจากที่รู้จักวิธีหยุดความอยากต่างๆได้แล้วตองนีก็เลยไม่กลัวกับโลกกระทที่จะต้องกลับไปสัมผัสรับ ร, รู้ต้องกลับไปสัมผัสกับลาบยศส ร, รเส ร, ริญรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่หวั่นไหวใครจะให้เงินทองมากี่ร้อยกี่พันก็เฉยๆไม่ได้ยินดีไม่มีความต้องการ ใครจะยกย่องสรรเสริญใครยะตั้งยศให้ก็เฉยๆไปห้ามเขาไม่ได้คนศรัทธาบางทีเขามีอะไรเขาก็ให้ตามที่เขามียังในหลวงนี่ท่านก็ให้ยศพระกันเพราะท่านเห็นว่าเป็นสิ่งที่ยกย่องพระให้คนอื่นได้เห็นว่าเป็นพระที่ดีเป็นพระที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบเป็นพระที่ทําคุณประโยชน์ให้กับ โลกทํากับสังคมแล้วพระก็ไม่ใช้เงินทองไม่ใช้ทรัพย์ก็เลยต้องให้อย่างอื่นแทนเงินทองก็เลยให้เนี่ยให้ยศกันตั้งยศให้เป็นเจ้าฟ้าเจ้าอะไรกันไปเป็นพระครูอะไรกันไปแต่ถ้าเป็นพระที่ได้พบกับโลแถแห่งธรรมแล้วนี่ท่านจะไม่รู้สึกตื่นเต้นยินดีแต่อย่างใดท่านจะรับไปโดยการไม่ให้เสียมรยาธ พราพระเจ้าแผ่นดินนี้เป็นผู้ใหญ่ในโลกอยู่ในใหญ่ในประเทศถ้าไปขัดใจท่านอาจจะมีปัญหาต่อไปได้ท่านอาจจะไม่อยากจะสนับสนุนศาสนาก็ได้ก็เลยบางทีก็ต้องเอาใจเอาใจญาติโยมเหมือนกันเพราะถ้าไปขัดใจญาติโยมเดี๋ยวไม่ใส่บาตรให้ก็จะยุ่งเหมือนกันแต่ถ้าแต่ก็ต้องมีเหตุมีผลถ้าไปเอาใจญาติโยมแล้ว ผิดหลักธรรมนี้ก็มาเอาใจไม่ได้ถ้าเอาใจของญาติโยมที่เป็นกิเลสนี่แล้วมาทำลายธรรมของพระพุทธเจ้านี้ก็ตามใจไม่ได้แต่อไหนที่ไม่ขัดกับหลักธรรมพอทำได้ก็ทำไปแต่ไม่ไปตื่นเต้นยินดีจะลองสมโภชเจ็ดวันเจ็ดคืนบางวัดนี่ได้รับยศขึ้นมานี่ ยิ่งกว่าคารวาดี์คารวาดได้ยศในร้อยในพันเข า, ก, ขาก็กินเลี้ยงแค่ครั้งเดียวก็จบนี่บางวัดฉลองสมโพธกันสามวันเจ็ดคืน ม, ordinary, มีมห <1> 1> โหสถมีอะไรต่างๆเต็มไปหมดอย่างนี้แสดงว่าหลงซะแล้วยินดีเกิดความยินดีขึ้นมาแต่ถ้าคนมีปัญญาจะเห็นว่าโอ้ยมีภาระขึ้นมาแล้ะมีทุกข์ขึ้นมาเละ ก็เลยจะไม่ยินดีไม่จัดงานฉลองเ <Yeah. S 1> นี่ยนี่คือจิตที่หลุดพ้นจากความอยากทั้งปวงจะเป็นจิตที่เหมือนกับใบบัว <Yeah. S 1> เวลาหยดน้ำหยดลงใบบัวนี่มันจะไม่ซึมเข้าไปในใบบัวจิตใจของพระอรหันต์นี่เวลาสัมผัสกับโลกกระทำนี้จะไม่ซึมทราบเข้าหากัน จะไม่ดีใจหรือจะไม่เสียใจเวลาสูญเสียไปอย่ารู้สึกเฉยเฉยทั้งขนาที่ได้หรือทั้งขนาที่ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้ก็เฉยได้ก็เฉยได้มาลาวสูญเสียไปก็เฉยแต่ถ้าเป็นจิตใจของปุถุชนที่ยังมีความอยากอยากได้ลาบยศสรรเสิญอยากได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ พอเวลาได้มาแล้วนี่จะดีใจเยจะจะยึดเข้ามาเข้าไปในใจเต็มร้อยเลยแล้วเวลาเสียไปก็จะเสียใจเต็มร้อยเหมือนกันเนี่ยทุกข์ของพวกเราอยู่ตรงเนี้ตรงที่เราไปยินดีกับลาบยศสรรเสริญยินดีกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพอเราได้มาเราจะดีใจกันเนี่ย ได้เงินทองมาดีใจได้ยศได้ตำแหน่งมาดีใจได้คำสรรเสริญเยินยอดีใจได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆดีใจแต่ไม่เคยคิดว่าวันใดวันหนึ่งอาจจะเสียมันไปก็ได้พอเสียแล้วเป็นไงเสียใจไหมเวลาเสียเงินทองไปเวลาเสียยศเสียตำแหน่งไปเวลาได้ เสียสรรเสริญได้นินทากลับมาเ<อ>วลาเสียรูปเสียงกลิ่นลดไปแล้วรู้สึกยังไงเศร้<อ>าโศกเสียใจขึ้นมาทันที<อ>ตามใดที่เราถ้าเรายังมีความยินดีในลาบยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นลดอยู่เราก็ยังจะต้องเจอความเศร้าโศกเสียใจมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับที่ว่าเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมมากน้อยเพียงไร ถ้าเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติทรมากขึ้นมากขึ้นความยินดียินร้ายความเสียดีใจเสียใจกับราบยศสนตเสญสุขนี่จะน้อยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะหายไปหมดเลยเนี่ยนี่คือการวัดดูจิตใจของผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติว่าจิตใจยังยินดีในโลกธรรทหรือเปล่า ยังยินดีกับลาบยศรเสรินกับความสุขทางต า, งาหูจมูกนิ้วกายหรือเปล่าแล้วก็เวลาสูญเสียไปจะรู้สึกยังไงจะเสียใจหรือจะรู้สึกเฉยเฉยอันนี้มันจะเป็นเป็นตัวบอกว่าปฏิบัติไปถึงไหนถ้าไม่เสียใจเวลาเสียอะไรไปเวลาได้อะไรมาก็ไม่ดีใจ ใจเฉยๆได้ตลอดเวลาอย่างนี้แสดงว่าก้าวหน้าเจริญก้าวหน้านี่แหละคือรถูปแห่งธรรมที่พระเจ้าทรงนำเอามาสอนพวกเราเพราะพระองค์ได้ทรงเป็นผู้ได้สัมผัสรับรู้เป็นคนแรกแล้วถ้าพระ อ, องค์ไม่นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับสัตวโลกสัตวโลกอย่างพวกเรานี้จะไม่มีวันที่จะได้พบได้เห็น รถแห่งธรรมนี้เลยอแต่พอพระพุทธเจ้าทรงนำเอารถแห่งธรรมนี้มาเผยแผ่ผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อและนํำมาไปปฏิบัติไม่นานก็ได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมได้กลายเป็นพระอรหันหตสาวกกันขึ้นมาแล้วก็มาช่วยพระพุทธเจ้าเผยแผ่แผรถแห่งธรรมนี้ให้กว้างขวางขึ้นไปเรื่อยๆอยื ตอนต้นก็เริ่มต้นจากพระพุทธเจ้าองเดียวในวันอาสาหาบูชาสแสดงธรรมที่ในป่าอิสิ ป, ปตัตนะเนี่ยพอหลังจากสแสดงธรรมเสร็จก็มีหนึ่งในพระปัญจวาคีได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมระดับที่หนึ่งก่อนแล้วหลังจากทรงสแสดงธรรมอีกสองสาครั้งพระปัญจวาคีทั้งห้าก็ได้บรรลุปเป็นพระอาหารหันตาสาวก ได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมร้อยเเซต์พอได้สัมผัสเสร็จแล้วพระพุทธเจ้ก็บอกว่าต่อไปนี้พวกเธอต้องกระจายกันไปละอย่าอ ย, อยู่อย่าอยู่ที่เดียวกันอย่าอยู่ด้วยกันเพราะการอยู่กระจุกตัวนี้จะไม่ช่วยเผยแผ่ธรรมให้แก่ผู้พระองค์ ก, ก็เลยบอกให้บัรจารวกีไปไปคนละทิศคนละทางอย่าไปด้วยกันเป็นสองไปเป็นเดี่ยวไปเอาธรรมะเลิออันประเสริญนี้ไปเผยแผ่ บัรจากวกี้ก็ทำตามแยกทางกันไปแล้วพอไปเจอใครใครสนใจศึกษาปฏิบัติก็สอนเขาพอเขาบรรลุธรรมแล้วก็บอกให้เขาแยากกันไปีเพียงในระยะเวลาเจ็ดเดือนแรกของการเผยแผ่ธรรมของพระพุทธเจ้านี่มีผู้บรรลุธรรมถึงอย่างน้อยหนึ่งพันสอง้อยห้าสิบรูป เขามีการบันทึกไว้ในวันมาฆบูชานี่เองอันมาฆบูชานี้เป็นวันเพ็ญเดือนสามซึ่งถ้านับจากวันเพ็ญเดือน8ปก็เป็นระยะเวลาเจ็ดเดือนระยะเวลาเจ็ดเดือนนี่มีปาหาน์ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้อย่างน้อยก็หนึ่งันสองรูปห้าสิบที่ได้มารวมตัวกันเฝ้าพระพุทธเจ้าจากสารทิตต่างๆ โดยไม่มีการนัดหมายกันมาด้วยความคิดถึงคิดถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าอยากจะมากราพระพุทธเจ้าทั้งนี้นี่แหละคือการเผยแผ่ธรรมของพระพุทธเจ้าพอเริ่มเผยแผ่แล้วทีนี้ก็มีคนสามารถที่จะรับประโยชน์ได้เป็นจํานวนมากแล้วก็มีมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ ยุปัจจุบันของเรานี้ก็ยังมีพระอาหารหันต์กันมีผู้ที่ศึกษาปฏิบัติธรรมกันมีผู้ได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมอยู่ถ้านับจํานวนจากวันที่พระเจ้าทรงเริ่มแสดงธรรมนี้อาจจะมีพระอาหารหันต์เป็นล้านแล้วก็ได้แต่อันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราควรที่จะยินดีว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ ไม่ได้เป็นของอะไรที่ยากเย็นเกินความสามารถของพวกเราทุกคนสิ่งที่เราต้องมีคือความศรัทธาความเชื่อว่าถ้าเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามคำสอนอย่างเค่งครันแล้วถ้าเราปฏิบัติแบบไม่ถอยแล้วรับรองได้ว่าเราก็จะต้องบรรลุธรรมอย่างแน่นอนดังที่พระเจ้าได้ทรงรับประกันไว้ว่าถ้าไม่เจ็ดวันก็เจเดือน ถ้าไม่เจ็เดือนก็เจ็ดปี <Yeah. S 2> ถ้ามีการศึกษามีการปฏิบัติธรรมขั้นภาวนาขั้นสมาธิขั้นปัญญา <Yeah. S 2> รับประกันได้ว่าจะต้องบรรลุภายในเจ็ดปันเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีอย่างแน่นอนนี่ <Yeah. S 2> นี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะคอยสอนใจบอกใจเรา yeah. อย่าไปคิดว่าโอ้ยเราไม่มีวาสนาเราเป็นผู้หญิง เ, เรามีครอบครัวมีภาระผูกพันมีหนี้มีสินคนเราถ้าถ้าอยากจะได้อะไรจริงๆแล้วปัญหาเหล่านี้มันเป็นเรื่องจิบจ้อยออสามารถที่จะแก้ได้อย่างง่ายดายถ้าเราได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมเสียก่ อ, อน ถ้ายังไม่ได้ชิมไม่ได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมนี้ก็ยังจะอาจจะสองจิตสองใจอยู่ดังนั้นในเบื้องต้นนี้เราต้องพยายามปฏิบัติให้เข้าถึงรสแห่งธรรมให้ได้แม้เป็นเพียงชั่วขณะหนึ่งก็ตามเป็นเรียกว่าคณิกะสมาธิแต่มันจะเป็นเหมือนได้ดูหนังตัวอย่างได้ดูหนังได้ชิมรสแห่งธรรมตัวอย่าง แม้จะเป็นเพียงแค่หนึ่งช้อนตักขึ้นมาช้อนหนึ่งแล้วชิมดูมันจะทําให้เกิดศรัทธามหาศาลเลยมันจะทําให้เกิดความกล้าหาญที่จะตัดตาละต่างๆไปได้ให้หมดเพราะมันเห็นแล้วว่าสิ่งที่จะได้รับกับสิ่งที่ต้องตัดไปนี้มันต่างกันเป็นคนละโลกได้ลดแทนทำนี้เหมือนกับได้ของที่ ยิ่งใหญ่มหาศาลยิ่งกว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดดังั้นในเบื้องต้นพยายามศึกษาธรรมฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ต่างๆจากพระพุทธเจ้าอ่านหนังสือพระสูตรของพระพุทธเจ้าเราจะได้เกิดศรัทธามีความเชื่อมั่นว่าเราก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ถ้าเราอ่านหนังสือธรรมะของพระเจ้าได้ฟังเทศฟังธรรมได้ก็สแสดงว่าเราเป็นบุคคลที่พระพเจ้าได้ตั้งเป้าหมายไว้นั่นเองแต่ถ้าเราเป็นคนหูหนวกตาบอด น, นี่ก็ช่วยไม่ได้แต่สมัยนี้คนที่ตาบอดเขาก็ยังโชคดีมีองค์กรที่เขาเอาหนังสือธรรมะดีๆมาอ่านเป็นเสียงใส่ในเทปในซีดีแล้วให้เปิดฟังได้ คนตาบอดก็ปฏิบัติทำได้บรรลุทาได้ถ้าสามารถเข้าใจคำสั่งคำสอนและปฏิบัติตามได้คนหูหนวกก็สามารถที่จะเรียนผ่านทางภาษาเบรลได้เขาก็มีวิธีสอนได้ขอให้มีสื่อที่สอนที่สามารถนำเอาธรรมะคำสอนของพระเจ้าเข้าถึงตัวผู้ปฏิบัติได้ถ้าได้ก็ถือว่าปฏิบัติได้ ถ้าไม่ได้ก็ถ้าทั้งหูหนวกทั้งตาบอดนี้ไม่รู้จะทำยังไงได้ไหรือเปล่าหูหนวกก็ยังตาบอดก็ยังฟังได้ออฟังไม่ได้หูหนวกก็อาจจะต้องใช้ภาษาเบรลล์วนะถ้าตามใดที่เรายังเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ไม่ว่าผ่านทางสื่อใดขอให้ถือว่าเราเป็นบุคคลที่อยู่ใน เืออยู่ในขายในเกณฑ์ที่จะสามารถรับประโยชน์จากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แล้วก็อย่าไปให้ความคิดที่ไม่ถูกมาคอยหลอกเราบางทีเราจะได้ยินได้ฟังคนอื่นเขาบอกว่ายุคนี้สมัยนี้ปฏิบัติไปก็บรรลุธรรมไม่ได้ไม่มีใครบรรลุธรรมกันไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนต้องมีพระพุทธเจ้าสอนถึงจะสามารถบรรลุธรรมกันได้ อันนี้ก็ไม่ถูกอย่าไปคิดเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าถึงแม้เราจะไม่อยู่กับพวกเธอแล้วก็ตามแต่เรายัางจะอยู่กับพวกเธอต่อไปในรูปแบบของพระธรรมคาสอนเองธรรมพระธรรมคำสอนที่เราตัดสอนให้แก่พวกเธอนี่จะเป็นศาสดาแทนเราต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาดังนั้นอย่าไปปล่อยให้ความคิดของคนอื่นและความคิดของเรา มาล้มมาขวางกัน้นการศึกษาการปฏิบัติธรรมของเราอขอให้เราคิดว่าถ้าเรามีอาการครบสามสิบสองสมบูรณ์แข็งแรงสามารถศึกษาศึกสามารถปฏิบัติได้นี่เราเป็นบุคคลที่พร้อมที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่จะพร้อมไปกว่านี้ถ้ามีอุปสรรคอะไรเราก็พยายามตัดมัอนออกไป เราเลิกถึงความตายอยู่เรื่อยๆจะช่วยเราตัดอะไรไปได้เยอะเพราะว่าไม่ช้าก็เร็วเราทุกคนก็ต้องตายจากกันอยู่ดีเราต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารักที่เราชอบลาบยศสรเสริญความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายจะมีมากมีน้อยก็ตามเดี๋ยววันดีคืนดีพอเราตายไปก็เราก็ต้องพาดท่าจากสิ่งเหล่านี้ไปทั้งหมด แล้วถ้าเกิดมันเกิดขึ้นในขณะที่เรายังไม่แก่ยังไม่เจ็บเป็นยังไงมีสมัยนี้มีคนตายอายุไม่เท่าไหร่ก็ตายกันเยอะแยะอายุยี่สิบสามสิบสี่สิบตายกันเยอะแยะดังนั้นเราทำไมจะมา <c oughs> กังวลกับการพัาดพาคจากบุคคลต่างๆที่เรารักเราชอบกับสิ่งต่างๆที่เรารักเราชอบก็ให้เราคิดว่าเมื่อเราพร้อมที่จะไปบวชแล้วก็คิดว่าเหมือนกับเราพร้อมที่จะตายแล้วก็แล้วกัน หรือคิดว่าเราไปจะ อ, อุบัติเหตุตายแต่เราตายคนที่อยู่เขาทำยังไงเขาก็าอยู่ของเขาต่อไปนะเขาอยู่ไม่ได้เขาก็ต้องตายเพราะว่าไม่มีใครไม่ตายอยู่ดีแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ตายตามเราหรอกรับประกันได้เขาก็จะต้องดิ้นรนต่อสู้ขวนขวายเพื่อรักษาชีวิตของเขา และดีไม่ดีเขาอาจจะได้ดีได้ดีกว่าตอนที่เขาอยู่กับเราก็ได้เ้วอาจจะเป็นอุปสรรคขวางกั้นเขาก็ได้เพราะเขายังต้องอยู่กับเราอยู่แต่พอเราตายไปแล้วเขาก็ต้องไปพบหาคนอื่นและดีไม่ดีเข า, า จ, จะไปเจอคนที่ดีกว่าเราก็ได้ให้คิดในทางนี้แล้วเราจะได้เ อ, อไม่รู้สึก อ, อรู้สึกว่ามีความรู้สึกผิดว่าเราทิ้งเขาหรือเราไม่ ดูแลเขาอะไรทํานองนี้เราต้องคิดว่าถ้าเผื่อถ้าเราตายไปวันนี้เราก็ต้องทิ้งเขาอยู่ดีไม่ใช่เหรือเพราะฉะนั้นก็พยายามคิดอย่างนี้แล้วพยายามศึกษาปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วพอเราได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมเนี่ยเราก็จะมีความพร้อมที่จะไปได้ทันทีการไปของเราก่อนไปแล้วก็อาจจะทําอะไรให้เขาก่อนก็ได้หาเงินหาทอง อะไรไปแล้วก็เวลาไปเขาจะได้ไม่เดือดร้อนกับการไปของเราเพราะเขาอย่างน้อยก็มีเงินทองที่เราหามาให้เขาใช้ไประยะหนึ่งก่อนอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องทิ้งทิ้งลูกทิ้งภรรยาแต่ท่านก็เห็นว่าลูกภรรยาก็มีปู่ย่าคอยดูแลอยู่มีทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดิน ไปเขาก็ไม่เดือดร้อนเดือดร้อนก็ทางจิตใจเท่านั้นเองจิตใจเขาคงจะเศร้าโศกเสียใจแต่เศร้าโศกเสียใจอย่างไรเดี๋ยวไม่นานก็หายเรื่องความเศร้าโศกเสียใจมันก็เป็นของชั่วคราวเดี๋ยวเขาก็ลืมเราชีวิตเขาก็ดําเนินต่อไปอันนี้อาจจะเป็นอุปสรรคของผู้ที่มีมีครอบครัวมีภาระอะไรต่างๆ แต่ไม่ควรจะเปิดให้มันเป็นอุปสรรคเพราะเป็นอุปสรรคที่เราแก้ได้ฟันฝ่าได้ไอ้ตัวที่เป็นอุปสรรคที่แท้จริงคือการไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติอย่างจริงจังเท่านั้นที่จะเป็นอุปสรรคมากกว่าเพรนั้นต้องพยายามศึกษาปฏิบัติอย่างจริงจังพยายามเอาเวลาต่างๆที่เราใช้กับเรื่องอื่นๆนี้มาให้กับการศึกษามาให้กับการปฏิบัติดีกว่า เพราะว่าถ้าเราได้ศึกษาเราก็จะได้รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเ <Yeah. S 1> มื่อเรารู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วพอเรานำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติอย่างเต็มร้อยเต็มที่ตั้งใจปฏิบัติปฏิบัติให้มากให้ได้ตลอดเวลาเดี๋ยวเราก็จะได้สัมผัสกับความสงบของใจเป็นครั้งแรกซึ่งมักจะเป็นแบบชั่ ว, วประเดียเด๋ยวประดาวแบบงูแลบลิน แต่รถแห่งธรรมนี้มันจะมีมีอนุภาพมากต่อจิตใจมันจะทำให้เกิดฉันทาวิริยะเกิดความยินดีที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับแล้วมันก็จะพาให้เราได้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มร้อยต่อไปคือได้ได้ไปบวชได้ปฏิบัติแบบนัก บ, บวชหรือถ้าไม่ได้บวชก็อยู่แบบนัก บ, บวชก็ได้ ถ้าเป็นสุภาพสติมีสถานที่สงบของตนเองเป็นเหมือนวัดของตนเองแล้วรู้ว่าจะต้องปฏิบัติอะไรก็ปฏิบัติไปไม่เกี่ยวข้องกับทางโลกถ้าเกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องให้น้อยที่สุดเท่า ท, ที่จำเป็นกส็สามารถจเจริญก้าวหน้าในทางธรรมไปได้ตามลำดับแล้วในที่สุดก็จะบรรลุ ทำขั้นสูงสุดได้อย่างแน่นอนถ้ามีการศึกษามีการปฏิบัติแบบไม่หยุดไม่ย่อนมีการทำอย่างต่อเนื่องท่านบอกว่าอย่าทำแบบไฟไม่ฟางเวลาไฟไม่ฟางเวลามันลุกโหยรู้สึกว่าไฟมันลุกเป็นกองเบ้เริ่มเลยแต่ฟางมันมันมีเชื้อนิดเดียวพอพอมันลุกเสร็จมันก็ดับไปเลย อย่าอย่าเป็นแบบไฟไม่ฟังอย่ามีศรัทธามีความขยันแบบไฟไม่ฟองไม่ใช่ฟองอะเขาเรียกอะไรลืมไปเนะี่ยก็ขอให้มันเป็นแบบที่มีความต่อเนื่องมีความสม่บเสมอฟางไม่ใช่ฟองพูดผิดไปไฟไม่ฟังให้มันเป็นเหมือนไฟที่ไม่ฐานดีกว่า ไฟที่ไหม้ฐานนี่มันไหม้ไปเรื่อยๆไม่ไปนานๆเะฉะนั้นความเพียรของเราความยินดีในธรรมของเรานี้ต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอคอยบังคับถึงเวลาปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติ <Yeah. S 1> อย่าปล่อยให้ทาไปตามอารมณ์เพราะอารมณ์มันจะขึ้นๆลงๆ <Yeah. S 1> บางทีก็ขึ้นบางทีก็ลงเห <Yeah. S 1> ็นเวลาลงก็ต้องปฏิบตัติเวลาขึ้นก็ต้องปฏิบัติ yeah. เวลาขึ้นมันก็จะปฏิบัติง่ายเวลาลงก็จะปฏิบัติยากหน่อยแต่อย่างน้อยเราก็ไม่หยุดของการปฏิบัติของเราผลก็อาจจะได้มากได้น้อยดีกว่าหยุดนะหยุดแล้วมันไม่ได้อะไรเลยแล้วมันจะทำให้เวลาจะเริ่มต้นใหม่นี้รู้สึกยากขึ้นด้วยซ้ำไปเอานพยายามทำให้มันติดเป็นนิสัยไปอย่าหยุดอย่าหย่อนอย่างน้อยก็ต้องจเจริญสติให้ได้ตลอดเวลา นั่งสมาธิไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ฝึกสติไปก่อนพุโทโธพุโทโธคอยควบคุมความคิดเดินไปนั่งไปทำาอะ ไ, ไปก็ให้มีพุโทโธมีสติคอยควบคุมความคิดเยหรือถ้าอยากจะศึกษาก็อ่านหนังสือธรรมะฟังเทศฟังธรรมไปขอให้ใจอยู่กับธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งไปเรื่อยๆแล้วใจจะมีธรรมะหล่อเลี้ยงจิตใจ จะทำให้ใ จ, จเจริญเติบโตขึ้นในทางธรรมขึ้นไปเรื่อยๆ <Yeah. S 1> นี่คือวิธีการที่เราจะเข้าถึงลดแห่งธรรมที่เหนือกว่าลดทั้งปวงได้ก็ <Yeah. S 1> คือเราต้องมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็ต้องศึกษาต้องปฏิบททัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเมื่อเราปฏิบัติแบบไม่ยอด ไม่ไม่ถอยไม่หยุดไม่หย่อนวันหนึ่งแล้วก็จะได้รับผลของธรรมอย่างแน่นอนอันนี้คือเรื่องของลดแห่งธรรมที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พ อ, อยะท้าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคัง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 มาเตผวะตวันตรายโสคขีทีขายุโกผวะอภิวาธนสีลิสานิจังวุทธาปจายโนจตารโอธรมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามคำถาม ใครมีคำถามอยากจะถามเชิญถามได้ถามเองก็ได้หรือจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แล้วแต่สะดวกวันนี้ทางบ้านมีผู้ติดตามเท่าไหร่ค่ะวันนี้ทางเฟ e บุ๊ก455 Youtube 252วิทยุออนไลน์11 o o m 6ผู้รับฟังหน้ากุฏิ123รวมทั้งสิ้น847ท่านค่ะ มีคำถามก็เชิญถามได้เลยคำถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏิค่ะขอฝากถามพระอาจารย์ด้วยค่ะว่ากรณีญาติผู้ใหญ่เสียชีวิตมีบุตรหรือหลานหรือญาติบวชหน้าศพให้ผู้ตายจะได้รับอา น, นิสงส์ผลบุญหรือไม่คะไม่ได้หรอกเพราะว่าอยากจะมี อย่างน้องตาสอนบอกว่าถ้าอยากจะได้บุญกุศลทําตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ดีกว่าร้อยก็เลยเขาทําส่งให้เรานี้มันหนึ่งบางทีคนส่งไปก็ส่งไม่ถึงคือบวชหน้าไฟมันจะไม่ได้อะไรใช่ไหมมันไม่ได้เราได้แต่เล่นวิกเกให้คนดูให้กรนหัวตอนเช้าตอนนี้ก็กินข้าวเย็นต่อแล้วถ้าเป็นบุญที่เขาบุทิศทางทานก็เป็นเหมือน เหมือนเศษน้ำที่ติดอยู่ในแก้วนะเวลาเรากินน้ำเดื่ดเศษน้ํามันยังมีเศษน้ําหลงติดอยู่ในเก้าอันนั้นแหละเป็นบุญอุทิศแต่มันก็ยังดีกว่าไม่มีถ้าเปรียบเทียบก็ไม่มีเลยครับแต่ถ้าอยากจะได้บุญที่เป็นกรอบเป็นกรรมเป็นคุณเป็นประโยชน์จริงๆก็ทําเสียตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่อย่าไปรอให้คนาเลยเขาทาให้เราค่ะ คำถามต่อไปจากทางอินบ็อกซ์ค่ะขออนุญาตถามเรื่องนั่งสมาธิครับผมนั่งสมาธิมาสักพักหนึ่งตอนนี้ดั่งได้ครั้งละ 25-30 นาที เมื่อเวลาผ่านไปสักเจ็ดนาทีแล้วร่างกายก็ไม่รู้สึกปวดไม่เมื่อยใดๆหลังจากนั้นก็หลงไปคิดบ้างแต่ก็กลับมารู้สึกตัวบ้างบางครั้งก็เหมือนหลับไปแต่หูได้ยินทุกอย่างผมอยากรู้ว่าผมทํามาถึงจุดนี้แล้วผมต้องฝึกต่ออย่างไรครับอย่างที่ผมเล่าไปผมอยู่ในชั้นอนุบาลหรือเปล่าหรือปหนึ่งครับก็มันยังล้มลุกคลานอยู่สติมาบ้างหายไปบ้าง ต้องมีสติตื่นตัวตลอดเวลาเหมือนเรานั่งคุยกันอย่างเนี้ต้องสติมันต้องมีเราลับรู้อยู่กับอารมณ์ที่เรากําลังใช้เป็นเครื่องกล่อมใจถ้าใช้พุโทโธก็ต้องพุโทโธพุโทโธไปตลอดเวลาถ้าดูลมก็ดูลมไปตลอดเวลาแล้วเดี๋ยวพอมันจะสงบมันก็จะสงบให้เราเห็นเองแต่ถ้ายัง นแบบล้มสติหายแล้วก็เกิดอาการอะไรขึ้นมานี่ไม่ใช่เป็นอาการของสมาธิที่เราต้องการดังนั้นก็ถ้ารู้สึกว่านั่งแล้วมันยังไม่ได้อะไรก็เรามาหัดเดินเยอะๆก่อนเดินทีละชั่วโมงสองชั่วโมงฝึกสติไปก่อนดีกว่านะให้มีพุโทโธพุทโธไปกับการเดินแล้อดูเดดท้าไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปให้มีสติอย่างต่อเ น, นื่อง และเวลานั่งมันเวลาดูลมมันจะได้ดูลมอย่างต่อเ น, นื่องแล้วมันจะได้เข้าถึงสมาธิอย่างง่ายดายและรวดเร็วคำถามต่อไปจากคุณขวหวานค่ะถ้ามีคนมาช่อโกงเราเราแจ้งความผู้ต้องผู้ต้องหาขอทยอยจ่ายหนี้ให้เราแต่ให้เราถอนแจ้งความก่อนแต่อย่างใช้หนี้ไม่ครบ แต่เรายังไม่ถอนแจ้งความจนกว่าจะใช้หนี้ครบเราทําแบบนี้จะบาปไหมคะไม่บาปหรอกเราก็เรียกสิทธิของเราเท่านั้นเองแล้วก็ให้ทางเจ้าหน้าที่เป็นเหมือนกรรมการกรรมการเขาก็มาดูว่าใครผิดใครถูกอย่างไรแล้วเขาก็มาจัดการให้มันถูกต้องเพีงแต่ว่าถามว่าไปเป็นเวรเป็นกรรมหรือไม่อันนี้อาจจะเป็นเวรเป็นกรรมกัน ก็จะทำให้เขาไม่พอใจเรการกระทาของเราก็ได้แล้วเขาก็อาจจะจองเวรจองกรรมเราโอกาสหน้าถ้าเขาทำลายทำร้ายเราได้เขาอาจจะทำร้ายเราก็ได้แต่ถ้าเราให้ความเมตตาเขาถอนก็ถอนจะคืนก็คืนไม่คืนก็ช่างหัวมันอย่างนี้มันก็จะไม่มีเวรมีกรรมเรียกว่าแผ่เมตตานี่เราวิธีแผ่เมตตาไม่ใช่ไปนั่งสวดได้หมน สัปเเพศตาเวลาโหนตุเนีนยแล้วนี้มันไม่ได้เป็นการแผ่เป็นการสอนใจให้รู้ว่าควรจะแผ่อย่างไรควรจะให้อภัยกันถ้าเราไม่เดือดร้อนกับเงินทองที่เขาเอาไปว่าอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมกันดีกว่าเรียว่าเป็นหนี้เก่าก็แล้วกันเราอาจจะเคยติดหนี้เขามาก็ให้เขาไปถ้าเขาอยากจะคืนเราก็ให้เขาคืนถ้าไม่คืนก็เล่าเล่ากันไปให้มันผ่านไปดีกว่า ถ้าเราไม่เดือดร้อนจริงๆก็อย่าเอาเวนกรรมกันดีกว่าเอาความเมตตาดีกว่าแล้วนอนหลับจะสบายนอนหลับจะไม่ฝันร้ายตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขจะไม่มีใครเข้าม า, จาเจองจะมาทำร้ายเราด้วยอาพิษหรืออาุธ น, นี่คืออนิสงส์ของการมีความเมตตาคำถามต่อไปจากคุณสมศรีค่ะ พระอาจารย์คะหนูสับสนกับความคิดเหลือเกินความคิดชอบด่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทักท้วงหน้าตาคนนูน้นคนนี้หนูไม่อยากคิดเลยบางทีก็สับสนว่านี่เป็นแค่ความคิดห ร, หรือหรือตัวเป็นคนคิดกลัวบาปกลัวท่านลงโทษบางทีจะพูดคําหยาบกับสามีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะปรากฏขึ้นมาหนูกลัวเหลือเกินตั้งท้องเจ็ดเดือนแล้วกลัวท่านลงโทษและกลัวบาปจะไปหาลูก คิดอันหยุดไม่ได้สับสนบางทีก็กลัวว่าลูกจะเกิดมาหน้าตาประหลาดเหมือนสัตว์บางทีก็คิดไปไม่ยอมหยุดคิดห่วงลูกมากประกอบกับโรคป่วยย้ำคิดย้ำทำหนูจะรักษาทางหมอและทางธรรมด้วยไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรจริงๆค่ะก็เวลาด่าคนอื่นก็ให้เปลี่ยนมาด่าตัวเราแทนพอจะด่าคนแล้วมึงมาเป็นยังไง มึงเฮียหรื่าฝากร้องเฮี่มึงเฮียการมาด่าตัวเองดีกว่าน่าประโยชน์กว่าด่าคนอื่นเขาทาให้เร า, เาทุกข์ด่าตัวเองแล้วทําให้เราสุขว่าเราจะได้รู้สํานึกในตัวเราเองว่า้เรามันก็ไม่ได้ดีไปกับเขาเท่าไหร่เราก็พอๆกับเขานะพยายามเปลี่ยนเป้าเวลาที่เราอยากจะด่าใครถามว่าเร า, เราด่าเขานี้เราด่าตัวเราเองได้หรือเปล่า เราด่าเขาได้เราด่าตัวเราเองได้หรือเปล่าด่า ต, ตัวเราเองได้ประโยชน์กว่าเราจะได้ทำให้เรารู้ว่าเราไม่ดีเราจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเราต่อไปคำถามต่อไปค่ะ เมื่อวันพระที่ผ่านมาผมได้ไปอยู่วัดนั่งสมาธิช่วงเวลาประมาณตีสามผมลุกขึ้นมาเดินจงกรมสามสิบนาทีและยืนอีกสาสิบนาทีขนาดที่ยืนมองลงไปที่พื้นแล้วอธิษฐานว่าผมจะยืนจนกว่าพระมาตีระครังผมอธิบายจบก็เกิดแสงกลมๆผุดขึ้นมาเล็กใหญ่ อยู่ประมาณสามสิบวิมันคืออะไรครับที่ผมเห็นนี้จริงไหมใช่ไหมครับแล้วผมควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปขอความเมตตาจากพระอาจารย์ครับเออมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเน่ยก็พิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วดับอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้มันเกิดก็ปล่อยมันเกิดมันดับก็ปล่อยมันดับไปไม่มีสาระไม่มีอะไรเป็นปรากฏการณ์ทางจิตใจอย่างหนึ่งซึ่งมีหลายอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นอะไรนี่พระเจ้าบอกว่าให้พิจารณาเป็นตายรักลงไปให้หมดแล้วปล่อยวางสิ่งที่เราต้องการคือความว่างความว่างความสง บ, บของใจคำถามต่อไปค่ะจากคุณใจดีอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าสินห้าคงไม่พอใช่ไหมครับสำหรับนักภาวนาภาวนาดีๆก็มบีบางเวลาจิตใจก็คล้อยตามโลกตามตันหาใช่ถ้าือสินห้ามากินข้าวเย็นได้นะ กินข้าวเย็ยนนึงกว่าจะภาวนาก็ต้องรอให้กินข้าวเย็ยนเสร็จก่อนก็เสียเวลาไปถ้ากินแค่เที่ยงวันหลังจากเที่ยงวันก็ภาวนาได้เลยแล้วยังไปดูกินข้าวเย็ยนเสร็จแล้วอยากจะไปดูข่าวดูละครต่อเดี๋ยวเมืดีไม่ดีก็อยากจะไม่นอนกับแฟนต่ออมันก็เลยไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติธรรมได้ถ้าอยากจะปฏิบัติธรรมก็ต้องตัดกิจกรรมเหล่านี้ออกไปด้วยการถือศีลแป คำถามต่อไปจากคุณแพทตี้ค่ะ ปกติวันหยุดจะใช้เวลาฟังเทศสวดมนต์ภาวนาได้ความสงบใจพอสมควรแต่หลายครั้งมีงานค้างจากที่ทำงานต้องมาทำในวันหยุดได้พยายามแบ่งเวลาปฏิบัติทำงานแต่ยังรู้สึกว่ายังปฏิบัติไม่ได้เต็มที่มีความรู้สึกอยากจะไปปฏิบัติให้เต็มที่อย่างนักบวชแต่ยังมีภาระต้องทำงานเพราะต้องนำเงินไปจุนเจอดูคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่มีไรายได้ประจําซึ่งท่านยังต้องพึ่งเราเป็นหลักรบกวนขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ด้วยค่ะ คือทําให้ดีที่สุดถ้าที่เราจะทําได้ในสถานะในสถานภาพของเราเ <c oughs> มื่อยังมีบุคคลที่เราจะต้องเลี้ยงดู <c oughs> ก็ต้องทําต่อไปหรือว่าเราสามารถหาเงินเป็นก้อนให้ทิ้งไว้ให้เขาได้แล้วก็ไปได้แต่ถ้าเราไปแล้วถ้าเป็นพ่อแม่นี่มันเป็นส่วนความรับผิดชอบของเราที่เราจะต้องคอยช่วยเหลือดูแลท่านต่อไป คำถามต่อไปค่อนข้างยาวขออนุญาตสรุปนะคะหลวงพ่อคะลูกป่วยภายในช่องท้องและกลั้นสมองมานาน5ปีเต็มแล้วก็ได้ทานยาแล้วก็บวกกับสวดมนต์ปฏิบัติธรรมทุกวันนี้อาการขึ้นดีขึ้นตามลำดับแต่ช่วงที่ป่วยลูกจำเป็นต้องทำงานทางด้านอสังหาเพื่อเรียนดูครอบครวัวพ่อหรือแม่ค่ะและตอนนี้ ก็มีนายทุนเพื่อมาซื้ออาคารพาณิชย์ที่ได้ประกาศไว้นานแล้ว5ปีโดยให้ลูกเป็นคนบริหารแต่ที่สำคัญคือนายทุนชอบออกคำสั่งไม่ชอบรับความคิดเห็นและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและยังบอกว่าไม่อยากให้ทำบุญด้วยซับมากๆและจะทำบุญ ทีนึงก็ต้องให้ปรึกษาเขาก่อนลูกจึงกังวลว่าลูกควรจะเข้าไปร่วมงานกับเขาหรือเปล่าคะเพราะรู้สึกอึดอัดเราทํางานด้วยตัวเองสลับกับการปฏิบัติธรรมมันทําบุญมาตลอด5ปีไม่ทราบว่าจะตัดสินใจอย่างไรดีควรจะไปเข้าทํางานกับเขาหรือเปล่าคะถ้ามันเป็นเรื่องบุญนี่มันไม่ควรที่จะมาห้ามกันคนรจะอนู้โมทนากันมากกว่าแต่ถ้าเราไปคบกับคนแบบนี้ก็เป็นกับไปคบกับคนโง่ คนง้ไม่เห็นคุณประโยชน์ของบุญจะเห็นคุณประโยชน์ของเงินมากกว่าถ้าอย่างนั้นก็คบแบบนี้ก็ขาดทุนนะอย่าไปคบกับเขาแต่ถ้าคบแล้วก็ถ้าเขาสั่งในเรื่องของการทำงานก็บ่อยเขาสั่งไปแต่ในเรื่องการทำบุญนี่เป็นเรื่องของเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาเราไม่ได้เอาเงินเขามาทำบุญที่อย่างเป็นเงินของเราเองก็แยกแยกแย ก, ย ก, ยกไว้สิเป็นสองส่วน ส่วนส่วนงานการก็ถือว่าเขาเป็นเจ้านายล้วเราก็ทําตามคมสั่งของเขาไปส่วนเรื่องการทําบุญนี้เป็นเรื่องของเราเราก็ทําของเราไปถ้าทําได้ก็ยังทํากันได้อยู่ถ้าทําไม่ได้ก็เราก็ต้องเลือกบุญดีกว่าเลือกเงินเพราะเงินนี้เราไปไม่ได้เวลาเราตายแต่บุญนี้เราไปได้หลังจากที่เราตายไปแล้วและเป็นที่พื่งของเราเวลาที่เราตายด้วย ไม่มีบุญเราก็จะไปเป็นแบบขอทานต้องมาคอยรอรับส่วนบุญของคนที่ยังมีชีวิตอยู่คำถามต่อไปจากคุณยายค่ะดิฉันอยากรู้เรื่องของการทำบุญข้าวประดับดินถ้าไม่ผ่านพระสงฆ์ยากจะได้บุญไหมคะได้เอาเอาข้าวไปให้คนยากจนกินก็ได้บุญแล้วบุญคือความรู้สึกสุขใจอิ่มใจที่เราได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ผู้น เราก็สามารถที่จะอุทิศบุญนี้ให้กับผู้ที่ล่วงลับแล้วไปได้ไม่จําเป็นจะต้องผ่านพระสงฆ์เสมอไปคําถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามค่ะกราบสอบถามหลวงพ่อเจ้าค่ะว่าที่เราเดินทางมาทางธรรมและเริ่มปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถือว่าเราได้เป็นผู้ถูกเลือกให้เดินมาในทางนี้แล้วใช่ไหมคะและเราต้องเดินตามที่ท่านเดินมาใช่ไหมคะ ใช่เราถ้าเราได้เข้าทางธรรมได้ศึกษาธรรมแล้วเราก็ต้องเดินต่อไปจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยถ้าเข้าแล้วเราไม่ไม่เดินมันก็ไปไม่ถึงนี่เมื่อเข้าแล้วรู้ทางแล้วก็ต้องเดินต่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางคํำถามต่อไปจากคุณนภณัสค่ะถ้าเราเจอคนที่เห็นแก่ตัวมากๆเราควรทําอย่างไรคะก็ยอมรับว่าคนเราทุกคนเกิดมาก็ามีความเห็นแก่ตัวได้กันทั้งนั้น เแต่ว่าเราก็พิจารณาว่าการคบ ก, กับเขาแล้วมันทำให้เรามีความเห็นแก่ตัวเพิ่มมากขึ้นไปเหมือนเขาหรือเปล่าถ้าเห็นก็เราก็อย่าไปคบ ก, กับเขาคือเราอย่าไปเอาเขาเป็นแบบฉบับเมื่อเรารู้ว่าความเห็นแก่ตัวนี้มันไม่ดีเราก็อย่าทำตามเขาเท่านั้นเองเขาจะเป็นเห็นแก่ตัวหรือไม่เราก็ไปสั่งเขาไม่ได้ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้แต่เราเปลี่ยนเราได้ถ้าเรา เปรียบเทียบตัวเรากับเขาวเราก็ไม่เราก็ไม่ต่างจากเขาอ่งเราก็มาทําลดความเห็นแก่ตัวของเราให้น้อยลงไปดีกว่าช่วงที่กำทำเวลาเวลาเราเจอคนนี่มันในโลกนี้ก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งฉลาดทั้งโง่เราก็ให้รู้จักเลือกพระพุทธเจ้าบอกว่าอเสวนาจะบาลานันมันฑิตานันจะเสวนา การไม่คบคนก็คนไม่ดีไม่ให้คบคนกาคนไม่ดีให้คบฉลาดให้คบคนดีเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะถ้าเราครบกับคนไม่ดีเขาก็จะดึงเราไปในทางไม่ดีไปกับเขาถ้าเขาเห็นแก่ตัวเขาก็จะทาให้เราต้องเห็นแก่ตัวเพราะถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวเดี๋ยวเราก็ขาดทุนอยู่กับเขาทางคนก็ต้องต่างเห็นแก่ตัวกันไป แต่ถ้าเราไปคบคนดีเขาไม่เห็นแก่ตัวเขาใจบุญพอเราเห็นเขาใจบุญเราก็อยากจะใจบุญไปกับเขาด้วยแห้มันก็คนที่เราครบคาสมาคมนี้จะมีเหตุทธิพลต่อตัวเราอย่างมากอพระอาจารย์จึงต้องสอนเป็นบทแรกของมงคลลสุดอยากคบคนไม่ดีคนโง่ ใ, ให้คบคนดีคนฉลาด คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามค่ะตอนที่พ่อของกระผมป่วยหนักและใกล้เสียชีวิตขณะที่หมอทําการรักษาอยู่นั้นหมอได้ออกมาถามว่าถ้าหัวใจหยุดเต้นจะให้ปั๊มหัวใจขึ้นมาหรือไม่แต่ถ้าปั๊มขึ้นมาแล้วคุณพ่อจะนอนหลับไม่รู้สึกตัวตลอดไปพวกผมเลยตัดสินใจบอกหมอว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องปั๊มให้ให้ท่านปล่อยท่านไปจาก ไปด้วยความสงบแบบนี้จะถือว่าบาปหรือไม่ถือว่าเป็นการฆ่าท่านหรือไม่ครับไม่หรอกก็อย่างที่บอกแล้วไงว่าเพียงแต่พิจารณาความเป็นจริงของสภาพของร่างกายว่าเมื่อเขาไม่สามารถหายใจเองได้หัวใจเขาหยุดเต้นแล้วจะไปจะไปปั๊มให้หัวใจเขาเต้นขึ้นมาทําไมเราวปั๊มขึ้นมาแล้วเขาก็ไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้ปั๊มขึ้นมาแล้วให้ก็เป็น เจ้าหญิงนิทราไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับใครทั้งนั้นตัวคนไข้ก็ไม่ได้รับประโยชน์คนที่อยู่ก็ต้องมาทุกมาอะไรกั น, นอีกนานดงนั้นก็ปล่อยเป็นไปตามสภาพความเป็นจริงอันนี้ไม่ถือว่าบาปการไม่รักษาั น, นี้ไม่ไม่ถือว่าบาปคำถามต่อไปจากคุณจิ๊บค่ะ การที่เราคิดว่าคนที่มาเอาเปรียบและทำไม่ดีกับเราตามอําเภอใจเพราะคิดว่าเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรแต่เราสามารถจะให้บทเรียนกับเขาได้ว่าเราก็ไม่ยอมเพราะไม่อยากให้เขายิ่งทำกรรมชั่วใส่เราต่อไปแบบนี้ถือว่าเราต่อเวรกรรมต่อกันหรือไม่คะเป็นการช่วยเขาไม่ให้ทำบาปหรือไม่คะถ้าเราปกป้องตนเองคะ่ะ ถ้าเราไปตอบโต้เขานี่แสดงว่าเราก็ไปก่อกรรมก่อเวรกันวิธีที่ระงับเวเรต้อต้องเราต้องหยุดการตอบโต้พุทธเจ้าบอกเวรไม่รงับด้วยการจองเวรเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรแต่เราเฉยๆไปเดี๋ยวเขาก็เลือกมายุ่งกับเราเองงั้นอย่าไปตอบโต้ถ้าเราไปตอบโต้ไปสอนเขาเขาก็ายิ่งจะโกรธเราใหญ่เข า, ายิ่งจะกลับมาแรงขึ้นกว่าเดิม ยันปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาถ้าเราหลบได้ก็หลบเลีกได้ก็เลยถ้าหลบไม่ได้เลยไม่ได้เจอกันก็พยายามท่องพุทโธพุทโธไปทําใจเฉยๆไปคํำถามต่อไปจากคุณทีค่ะถ้าเรามีลูกและพ่อของลูกอยากเลิกกับเราเราจะรั้งเขาไว้หรือเลิกตามคําขอเขาคะถ้าลูกไม่มีพ่อเป็นเพราะความอดทนเราไม่มากพอไหมคะก็แล้วแต่จะมองเหนกะถ้า ถ้าอยากจะอดทนอยู่กับเขาต่อไปก็เรื่องของความอดทนแต่ถ้าคิดว่าอยู่แล้วมันไม่มีความสุขไม่มีความเจริญทั้งสองฝ่ายก็ต่างก็แยกกันไปจะดีกว่าลูกก็ยังมีพ่ออยู่ก็ยังมีแม่อยู่พ่อก็ยังไม่ตายแม่ก็ยังไม่ตายเพียงแต่ว่าพ่อแม่ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันเท่านั้นเองก็ใ้ลูกเขาเลือกว่า จ, าจะไปอยูใ่ใครก็อยู่กับพ่อก็ไปอยากจะอยู่กับแม่ก็อยู่ หมดคำถามค่ะหมดแล้วเหรอคำถามเรื่องของการคองเรือนก็อย่างนี้แหละมันไม่มีความสุขแบบน้ำผึ้งอ ะ, อะไรพระจันทร์มันก็สุขใหม่ ๆ, อมมๆอพออยู่ไปนิสัยเดิมของแต่ละคนก็ออกมาเวลาเจอกันใหม่ๆก็มีแต่อเอา อ, อกเอาใจกัน แต่พอได้กันมาแล้วทีนี้ก็เปลี่ยนจากการเอาอกเาใจกันมาเป็นเอาอกเอาใจตัวเราเองแล้วก็อยากจะเอาใจเราเขาก็อยากจะเอาใจเขาออมันไม่ตรงกันมันก็ได้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความไม่พอใจขึ้นมาแล้วถ้าทําไป น, น, นานๆเท่าเดียวมันก็ตีกันทะเลาะกันแล้วก็ต้องแตกแยกออกจากกันพระพุทธเจ้าทราสงสอนว่าถ้าอยากจะมีชีวิตคู่ที่มีความสุขนี้ ต้องสร้างธรรมะสี่ประการต้องมีธรรมะอยู่สี่ข้อด้วยกันหนึ่งคือจาคะต้องเสียสละต้องเอาใจเอาเข้าใจของเขาเอาใจเขาอย่าเอาใจเราจาคะแล้วก็ต้องมีสัจจะต้องซื่อสัตย์ต่อกันไม่โกหกหลอกลวงกันไม่ใช่ไปทําอะไรอย่างหนึ่งแล้วก็กลับมาบอกว่าไม่ได้ทําอย่างนี้ มันก็จะทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจกันขึ้นมาได้แล้วก็เวลามีเหตุการณ์ลำบากเช่นช่วงนี้ตกงาเรื่องนั้นก็ต้องใช้ขันติตามอดทนพยายามทนอย่าไปโทษเขาอย่าไปว่าเขาถือว่าเป็นภาวะของชีวิตที่มีขึ้นมีลงมีทุกข์มีสุขบ้างสลับกันไป เวลาทุกก็ต้องอดทนก็ะะจะอยู่กันต่อไปได้แล้วถ้ามีอารมณ์ขุ่นมัวอยากจะระบายออกมา <c oughs> ก็ต้องใช้ธรรมะ <c oughs> ธรรมะแปลว่าการอดกัน้นอดทนก็คือทนก่อต่อสภาพทุกข์ภายนอกอดกั้นก็คือทนกับความคิดที่ไม่ดีที่จะส่งไปข้างนอกอยากจะด่าเขาอยากจะพูดคำหยาบอยากจะทาอะไรให้เขาเสียหายหเดือดร้อนอย่างนี้ เออเราต้องมีธรรมะธรรมะแปลว่าความอดกันแต่ถ้ามีธรรมะสี่ข้อนี้ลนะ้วจะอยู่ด้วยกันได้คือมีจารคะเอาอกเอาใจกันเสียสละแบ่งปันให้กันให้กันและกันมีสัจจะมีความซื่อสัตย์ต่อกันมีขันติมีความอดทนแล้วก็มีธรรมะความอดกัน คำาต่อไปจากคุณพิมพ์ชนก ค, ค่ะการวางใจเป็นอุเบกขาสามารถเกิดจากปัญญาได้ไหมคะหรือต้องเกิดจากสมาธิเจ้าคะได้แต่ยากเนราะว่าถ้าเห็นไตรลักษณ์จริงๆก็วางได้ที่มันจะเห็นหรือไม่เห็นนี่มันยากนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่นี่มันจ ะ, ะไม่เห็นไตรลักษณ์กันไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นอนัตตากัน ฉันสู้เอาทำแบบง่ายๆดีกว่าลงต้นก็คือใช้สติทำให้ใจเป็นอุเบกขาดีกว่าเพียงแต่บริกรรมพุทโธพุทโธไปเมื่อดูลมหายใจเข้าออกไปใจก็จะนิ่งสงบเป็นอุเบกขาขึ้นมาได้ส่วนปนัญญานี้ต้องมานั่งวิเคราะห์อนิจจังเป็นยังไงมันมีหลายลักษณะด้วยการเปลี่ยนแปลงก็เป็นอนิจจังเกิดดับก็เป็นอนิจจังอนัตตาก็คือมันเป็นสิ่งที่เรา ไม่สามารถควบคุมบังคับมันได้มันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงมันวั น, วนใดวันหนึ่งจะต้องจากเราไปถ้าเราเห็นอนิจจังอนัตตาในสิ่งที่เราทุกข์าอาจจะหายทุกข์ก็ได้แต่ถ้ามองไม่เห็นอนนิจจังเห็นอนอัตตาก็ใช้สติ ด, ดีกว่าท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราเุ่นวายใจ เดี๋ยวใจพอลืมเรื่องนั้นก็ใจก็จะสงบได้เป็นอุบเบคาได้คะคำถามต่อไปจากคุณจิ๊บค่ะถ้าเราสั่งเสียลูกไว้ว่าถ้าแม่ถึงขั้นต้องปั้มหัวใจแล้วร่างกายกลับมานอนเป็นผักช่วยตัวเองไม่ได้ขอให้ลูกไม่ต้องช่วยปล่อยให้เราไปตามสภาวะธรรมชาติของร่างกายถือว่าเราให้ลูกทำบาปหรือไม่เจ้าคะไม่หรอกก็อย่างที่เคยตอบแล้วว่ามันเป็นการงรงับการดูแลรักษาเท่านั้นเอง ขอให้ร่างกายมันอยู่ของมันไปตามสภาพเมื่อมันจะไม่ไ ม, ไม่ไม่หายใจก็ต้องปล่อยมันไปตามความเป็นจริงของมันพอแล้วเหรอค่ะโอเคเา okay. ละนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติ เธอความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอด